พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าเทวตาสั่งหยุดวรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่อคาถานี้ในสำนักกองพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติพึงละ ก, กามราคาเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอบมุงถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะ มุ่งดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติพึงละสกัยยคทิฏฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยห อ, อกมุ่งถอนห อ, อกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นผูกสติสูตร ว่าด้วยการถูกต้องเทวดากล่าวว่าวิบากรรมยอมไม่ถูกต้องบุคคลผู้ไม่ถูกต้องหมายถึงผู้ไม่ถูกต้องกรรมผู้ไม่ทำกรรมวิบากรรมยอมไม่ถูกต้องบุคคลผู้ไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิบากรรมจึงถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้อง ผู้ประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายพระผู้มีพระภาตรัสว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพ่านอย่างแน่แท้ดุจผงทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมแล้วฉะนั้น จะ ด, ดาสูตรว่าด้วยความยุง่งเทวดาทูลถามว่าหมู่สัตวยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุงน่งนางแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านรชนผู้มีปัญญา เห็นภายในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาคือเจริญสมาธิและวิปัสสนามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอสวะแล้วเป็นพระอระหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้ว นามคืออรูปประคันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆาสัญญาคือการมภพก็ดีรูปปสัญญาคือรูปประพบก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นมโนนิวารณสูตร ว่าด้วยการห้ามใจเทวดากราบทูลว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆไ ด, ไ ด, ได้ทุกเพราะอารมณ์นั้นๆยอมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ยอมพ้นจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจ ที่ถึงความสํารวมคือไม่พึงห้ามใจจากธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงความสํารวมเช่นทานศีลเป็นต้นบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสํารวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต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 ปัจโจตสูตรว่าด้วยแสงสว่างเทวดาทูลถามว่าโลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไหร่ในโลกพวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกนี้มีแสงสว่างอยู่สี่อย่างอย่างที่ห้าไม่มีในโลกนี้ คืนหนึ่งดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน 2. ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน 3. ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกคนทุกแห่งและ 4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างของพระพุทธเจ้านี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยม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 วัตตะไม่หมุนวนที่นี้นามและรูปดับไม่เหลือที่นี้มหตธนสูตรว่าด้วยผู้มีทรัพย์มากเทวดาทูลถามว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีทรัพย์มากมีโภคะมากทั้งมีแว่นแควนไม่รู้จักพอในกามทั้งหลายต่างแข่งขันกันและกันเมื่อกษัตริย์เหล่านั้น พากันขวนขวายวิ่งไปตามกระแสแห่งภพบุคคลเหล่าไหนเหล่าไม่มีความขวนขวายละความโกรธและตัณหาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลทั้งหลายสละเรือนสละลูกและสละสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักบวชกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอระหรันต บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีความกวนขวายในโลกจตุจักรกสูตรว่าด้วยสริระยนสี่ล้อเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระมหาวิระเจ้าสริระยนสี่ล้อคืออริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนมีประตูก้าวประตู คือช่องตาช่องหูช่องจมูกปากทวารหนักทวารเบาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตม้มสรีระยนต์นั้นจกแล่นไปอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะตัดชนะเชือกหนังคือความผูกโกรธกิเลสมีทิฏฐิและวิจิกิจชาเป็นต้น ตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทรามและเพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้สริรายนนั้นจกเล่นไปได้อย่างนี้เอนีสังคสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระชงเหมือนเนื้อสายเทวดากล่าวว่าพวกข้าพระองค์พากันมาเฝ้าขอทูลถามพระองค์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 คือรูปเสียงกลิ่นรสโพทัพะมีใจเป็นที่หกบันดิตประกาศเวชชัดแล้วในโลกบุคคลรักความพอใจในนามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้จบวรรคที่สาม